พระบัญญัติ9 9ก็พิกสุไดนั่งในที่ลับกับพิกสุนีสองต่อสองต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพระอุทายีจบ